ดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัศอ์ออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา FM 1้5 2 5้าจสาเมกะเฮิรตำนักปฏิบัติธรรมถ้ำชีตำบลไร่ส้มอเาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังพระในบ้านเขียนโดยพระธรรมกิติวงทองดีสุระเตโช ค, ค่ะ คำนาอันพ่อแม่นั้นชาวโลกทุกชาติศาสนายอมรับกันว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษยชาติดำรงรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าไว้และเป็นผู้ให้ทุกสิ่งแก่ลูกการรู้จักความดีของพ่อแม่รู้ซึ้งถึงจิตใจ รู้ถึงความต้องการของพ่อแม่และรู้ว่าตนควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อแม่นั้นเป็นเรื่องที่ลูกทุกคนจำต้องมีความรู้นั้นจัดเป็นกะตันยูตาธรรมการปฏิบัติตนตามที่รู้นั้นได้จัดเป็นกะเตะเวทิตาธรรมทำสองประการนี้เป็นฐานรองรับความดีงาม ความเจริญรุ่งเรืองของผู้รู้และผู้ปฏิบัตินั้นหนังสือพระในบ้านนี้เขียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อแสดงถึงฐานะของพ่อแม่ในแง่มุมต่างๆและข้อที่ลูกทุกคนควรจะได้สำนึกรู้ควรจะได้มองเห็นตามความเป็นจริง โดยแสดงไปตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นแต่ประมวลมาให้อ่านง่ายขึ้นแต่โปรดทราบว่าทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือนี้มุ่งให้ผู้อ่านได้รู้จักพ่อแม่ของตนตามความเป็นจริงเพราะอาจมีบางคนที่ไม่รู้ไม่เห็นและไม่เคยคิดถึงความดีงามความเสียสละ ความมีน้ำใจและความต้องการที่แท้จริงของพ่อแม่ว่าเป็นอย่างไรหนังสือนี้ต้องการเป็นกระจกสะท้อนให้รู้ให้เห็นและให้คิดในแง่มุมนั้นถ้าพ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ดีของลูกและลูกเข้าใจในความเป็นพระในบ้านของพ่อแม่สังคมของเราโลกของเราก็จะเยือกเย็น อบอุ่นขึ้นกว่านี้ความวังเวงว้าเวความท้อแท้ผิดหวังและน้ำตาจะไม่มีให้เห็นและจะไม่ประสบกันเลยหวังว่านังสือนี้จะสามารถสะท้อนภาพบางอย่างให้ผู้อ่านได้เห็นตามสมควรพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุราเตโชวัดราชโอรสาราม เขตจอมทองปรุงเทพ9เมษายน2541พระในบ้าน พระธรรมกิตติวงทองดีสุราเตโชป ร, ริยธรรม9การาชบัณฑิตพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ประเสริฐยอดเยี่ยมอยู่ในตัวและทำความดีต่อผู้อื่นโดยไม่ได้มุ่งหวังการตอบแทนทำด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารเป็นที่ตั้ง หากผู้ใดทำได้ดังนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะกรองเพศแบบไหนและอยู่ไวัยไหนชาวโลกย่อมแซ่สองสารเสริญผู้นั้นว่าเป็นพระในสายตาของเขาและพร้อมที่จะยกมือทั้งสองขึ้นไหว้บูชายอมก้มศีรษะหรือยอมน้อมกายลงหมอบราบกราบกรานด้วยความเต็มใจ มิได้ตะขิตตะขวงหรือลังเลใจเลยแม้สักน้อยเพราะมาเห็นแล้วว่าผู้นั้นคือเนื้อนาบุญอนหาได้ยากของเขาอย่างแท้จริงความเป็นพระอย่างที่ว่ามานั้นมิใช่จะเป็นได้เฉพาะกับนักบวชในศาสนาใดศ า, าสนาหนึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไปเท่านั้นความจริงเราท่านทุกคนต่างก็เคยประสบ พระหรือมีพระผู้ประกอบด้วยคุณความดีดังกล่าวมาแล้วด้วยกันทุกคนทั้งไม่ได้พบในป่าถ้ำลำนาวเขาหรือในแดนบุญยสถานนักบวชอื่นใดเลยหากพบกันอยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วในบ้านของเรานั่นเองมีพักต้องไปหาที่อื่นเสียให้ยาก เพราะพระดังกล่าวนี้หาได้ในบ้านจึงเรียกในที่นี้ว่าพระในบ้านหากจะบอกเส้นในตอนต้นนี้เสียเลยว่าพระในบ้านนั้นคือพ่อกับแม่ของเราก็คงจะทําให้ใคลายสงสัยไปได้เปล่าหนึ่งเพราะเมื่อได้ยินคำนี้เข้าบางทีเราอาจจะเกิดความแครงใจขึ้นมาได้ว่า เหตุใดพระจึงไปอยู่ในบ้านดูออกจะขัดขัดหูอยู่ด้วยตามปกติแล้วเรามักจะเห็นพระท่านอยู่แต่ในวัดหรืออยู่ในถ้ำในเขากันเท่านั้นแม้หากท่านจะเข้าบ้านบ้างในบางคราวก็อยู่ชั่วระยะเวลาที่มีกิจเท่านั้นเสร็จกิจแล้วท่านก็กลับวัดอย่างเดิม และก็คงไม่มีใครออกมาคัดค้านหรือปฏิเสธว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพระหากว่าผู้นั้นเป็นคนดีมีความคิดและความยุติธรรมทั้งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในแง่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเหตุที่ท่านทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้นเพราะท่านมีความเป็นพระคือมีคุณธรรม มีความดีอยู่ในตัวและได้ปฏิบัติภารากิจอันเป็นหน้าที่ของท่านมาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งในด้านจิตใจก็เปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารอันเป็นเหตุชักจูงให้ท่านได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละยอมเป็นผู้ให้อยู่ตลอดมาอย่างไม่เสื่อมคลาย แน่แล้วพ่อแม่คือพระในบ้านโดยปกติเรามักจะไปสแสวงหาพระหรือไปกราบไหว้พระกันตามวัดตามถาม้ำตามป่าหรือแม้อยู่บนยอดเขาก็ดันด้นไปกันด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นมงคลแก่ตัวแม้จะต้องไปค้างอ้างแรมกันหรือใช้เวลาเดินทางกันไปเป็นวันๆเราก็ยังยอมลงทุน ทนหอบหิวสังขารไปจนกระทั่งถึงท่านจนได้พอได้เห็นท่านได้กราบไหว้บูชาท่านแล้วก็กลับเพียงเท่านี้ก็เกิดความรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจหายเน็ตหายเหนื่อยโอกาสหน้ายังแวะเวียนไปหาท่านได้อีกบ่อยๆไปเล่าทุกสุขให้ท่านฟังให้ท่านช่วยปลอบใจให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต ซึ่งมันคับอกคับใจให้เป็นต้นพระนอกบ้านที่ว่ามานี้เราไปหาได้ไปบูชาได้และทำกันได้บ่อยๆซิด้วยซ้ำไปแต่ในเราทั้งหลายนี้จะมีสกิ่คนกันเล่าที่นึกถึงพระในบ้านกันพระในบ้าน ที่ใจจดใจจ่อรอท่าที่บรรดาลูกๆจะมาหามากราบไหวบูชาหรืออย่างน้อยมาพอให้เห็นหน้าก็ชื่นใจถมไปแล้วโดยมากเราต่างมักจะเอื้อบำรุงอุดหนุนกันแต่พระนอกบ้านหรือด้านด้นไปเช่าพระนอกบ้านซึ่งปราสจากลมหายใจเข้ามาไว้ในบ้าน ด้วยราคาแพงๆทำที่ประดิษฐ์สถานไว้ในห้องที่หรูๆ ร, ราคาแพงลิบแต่พระในบ้านซึ่งยังมีลมหายใจอยู่เรากลับปล่อยให้อดอยากปากแห้งปล่อยให้ใจแล้งอับเฉาปล่อยให้อ้างว้างว้าเหวและเศร้าใจอยู่ตามลําพังเพราะประสาจากน้ําใจของลูกๆมาหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่น พ่อแม่ที่รอน้ำใจจากลูกๆนั้นอาจยิ่งกว่าข้าวคอยฝนอย่างที่เราชอบเปรียบกันเสียอีกท่านคงไม่ใช่เป็นผู้หนึ่งในจำนวนโดยมากนั้นนะท่านตำแหน่งพ่อแม่คนเก่าเล่ากันให้รู้ว่า อันพ่อแม่นั้นมีพระคุณยิ่งใหญ่มหาศาลยากที่จะพนานาให้หมดสิ้นได้ถึงกับเปรียบเทียบไว้ว่าแม้จะเอาท้องฟ้าอันหาขอบเขตไม่ได้สมมุติเป็นแผ่นกระดาษเอายอดเขาพระสุเมนอันเป็นยอดหนึ่งของภูเขาฮิมาลายัยสมมุติเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรทุกแห่งในโลกสมมติเป็นน้าหมึก จดจานจารึกพระคุณของท่านทั้งสองว่ามีต่อลูกอย่างนั้นอย่างนั้นและจารึกว่าท่านได้ทำอะไรไว้ให้ลูกบ้างจนกระทั่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยตัวอักษรจนกระทั่งยอดเขาพระสุเมนสึกกรอไปจนสิ้นและน้ำในมหาสมุทรถูกใช้จดจานจนแห้งขอดไป ถึงขนาดนี้ก็ยังพรรณนาพระคุณของพ่อแม่ได้ไม่หมดสิ้นเลยและการที่จะทดแทนพระคุณของท่านทั้งสองให้หมดสิ้นไปนั้นก็ยากนักยากหนาถึงกับยกเปรียบไว้ว่าหากลูกจะยกพ่อไว้บนบ่าซ้ายยกแม่ไว้บนบ่าขวาของตนประคับประคองให้ท่านทั้งสองอยู่บนบานั่นแหละ ให้ท่านอาบน้ำให้ท่านกินท่านนอนและจนกระทั่งให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบาของลูกนั่นเองแม้ลูกจะทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งพ่อแม่หมดลมหายใจไปก็ยังไม่อาจจะทดแทนค่าป้อนน้ำนมและอุปการะคุณที่ท่านทำไว้ต่อลูกเลยตัวอย่างทั้งสองนี้ท่านยกมากล่าวไว้ เพื่อแสดงให้เห็นเพียงว่าพระคุณของท่านมีมากมายจนไม่อาจจะทำตอบแทนชดใช้ให้หมดสิ้นได้ด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้นและไม่ใช่จะหมายความว่าจะต้องให้ลูกทำใหญ่โตปานดังเปรียบตามที่บางคนเข้าใจแล้วเออะโวยวายกันว่าใครกันจะสามารถ ยกเขาพระสุเมนมาเขียนและลูกคนใดเล่าจะแบกพ่อแม่ไว้ได้ตั้งเป็นสิบเป็นร้อยปีหรือพ่อแม่คนใดเล่าจะทนทุกข์ทรมานกินนอนบนบาของลูกได้ไม่รำคาญไม่สงสารลูกบ้างหรืออย่างไรกันอะไรทำนองนี้เรื่องนี้ต้องเข้าใจเจตนารมของคนเก่าเขา เพราะคำเปรียบก็ต้องเป็นคำเปรียบอยู่วันยังข้างคือต้องนึกเอาไปเปรียบมิใช่ให้ทำอย่างที่เขาเปรียบหรือทำให้เหมือนเปรียบเรื่องเปรียบอย่างนี้จะถือว่าเป็นจริงจังใหญ่โตนั้นไม่ได้ต้องตีความหมายหรือเข้าใจเจตนารมของผู้คิดเปรียบเท่านั้นเป็นหลักสําคัญเพราะเหตุใดหรือท่านจึงเปรียบพ่อแม่ หรือพระในบ้านเสใหญ่โตปานนั้นก็เพราะท่านเป็นบุพการีชนคือผู้ทำให้ก่อนได้สะสมบุญคุณแก่ลูกมาตั้งแต่ลูกอยู่ในกันจนกระทั่งตายจากกันไปหรือจนกระทั่งทำให้ไม่ไหวอันนับกันว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนักเพราะตามปกติคนเรามักจะมีความเห็นแก่ตัว ใจไม่กว้างและใจไม่ถึงพอที่จะยอมเสียสละเอื้ออารีต่อผู้อื่นแต่พ่อแม่ท่านทำได้และทำได้อย่างดีเสียด้วยและเป็นบุญวาสนาของลูกอย่างหนึ่งคือลูกเป็นผู้รับความรักความปรารถนาดีและความเอื้อเฟื้อที่พ่อแม่ให้นั้นทั้งหมดด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เอง ตำแหน่งพระในบ้านจึงเป็นตำแหน่งที่สมควรอย่างยิ่งแล้วสำหรับมอบเป็นของขวัญอันบริสุทธิ์ให้ท่านทั้งสองจะมีใครเหมาะกับตำแหน่งพระเท่ากับพ่อแม่อีกเล่าและพ่อแม่นั้นยังเป็นพระยิ่งกว่าพระองค์ใดๆดในโลกประเสริฐกว่าพระใดใดในโลกเท่าที่ลูกจะพึงมีและพึงหาได้อีกด้วย ทั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นพระไว้ในตัวมากมายคือท่านเป็นหลายพระนั่นเองตำแหน่งพระของพ่อแม่คือพ่อแม่เป็นพระพรหมพ่อแม่เป็นพระเทพพ่อแม่เป็นพระอาจารย์พ่อแม่เป็นพระอรหรันต์ พ่อแม่เป็นพระพรหมพระพรหมตามความรู้สึกของเราก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกตามคติของศาสน า, าพราหมณ์ส่วนตามคติของศาสนาพุทธพระพรหมก็คือผู้ประกอบด้วยรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วจุติจากอัตภาพมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมมีที่อยู่ของตัวเองเป็นสั์ส่วนเรียกว่าพรห ม, มโลก แต่ความหมายที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาคำว่าพรมนี้ท่านใช้เรียกบุคคลผู้มีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมครบถ้วนบริบูรณ์คือหมายถึงคนเราธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนมีเพศพันธุ์หรือตะกูลใดก็แล้วแต่ ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพรหมได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกร่วมกับชาวโลกอื่นๆนี่แหละเพียงแต่ข้อแม้ว่ามีพรหมวิหารธรรมนี้ครบถ้วนเท่านั้นอันพรหมวิหารธรรมที่ว่านั้นมีสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตาความจริงใจ ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่มีเล่เหลี่ยมดูได้จากสีหน้าที่บ่งบอกคือยิ้มแย้มแจ่มใสและดูจากการกระทำที่มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีดีได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสองกรุณาความสงสารความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกยามที่ผู้อื่นมีความลำบาก ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุนด้วยความเต็มใจเสมอในทํานองยามสุขก็สุขด้วยยามทุกขก็ทุก์ด้วยนั่นเทียว 3. มุทิตาความชื่นชมยินดีในความสำเร็จสมหวังของผู้อื่นไม่แสดงความอิจฉาริษยา เพราะทนดูทนเห็นคนที่เข้าดีกว่าตัวไม่ได้ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอื่นหรือชื่นชมต่อความสำเร็จของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องบังคับใจ 4. อุเบกขาความวางเฉยในเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทับถมซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นผิดพลาด หรือได้รับความวิบัติไปไม่แสดงอาการสมนำหน้าสะใจหรือเขาผิดหวังพลังพลาดเป็นต้นผู้ใดมีคุณธรรมสีประการ น, นี้ในหัวใจและแสดงออกมาให้ปรากฏได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าพระพรหมทั้งนั้นพ่อแม่หรือพระในบ้านของเราเป็นบุคคลแรกที่มีคุณธรรมทั้งหมดนี้ อย่างเปี่ยมลน้นโดยเฉพาะมีต่อเราผู้เป็นลูกท่านทั้งคู่จึงควรจะได้รับการขนานนามว่าพระพรมของลูกอย่างแท้จริงคุณธรรมเหล่านี้มีประจําอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ทั้งหมดเป็นแต่ท่านไม่ได้แสดงออกมาพร้อมกันทีเดียวท่านแสดงในต่างวาระ ก, กัน แต่เนื่องจากท่านแสดงออกบ่อยครั้งเสียจนลูกๆเกิดความรู้สึกเคยชินจนมองข้ามความสําคัญหรือไม่เห็นความสําคัญไปเสียแล้วก็มาบ่นว่าไม่เห็นท่านมีอย่างที่ว่ามาสักหน่อยเลยอะไรทํานองนี้ลองทบทวนดูให้ละเอียดเถิดจะเห็นได้ชัดเจนว่าท่านได้แสดงอะไรออกมาบ้าง มีปริศนาข้อหนึ่งที่คนเก่าเขาทำไว้จะทำเพื่อสอนใจคนรุ่นหลังหรือให้คนรุ่นหลังได้คิดกันเพื่อทดสอบภูมิปัญญาหรืออย่างไรไม่ทราบได้คือเวลาท่านเขียนหรือปั้นรูปพระพรหมท่านจะทำให้พระพรหมมีสีหน้าทุกครั้งไปที่ว่าทำเป็นปริศนานั้นก็เพราะว่า เหตุใดท่านจึงทำเป็นรูปพระพรหมสีหน้าจะทำให้มีหน้าเดียวเหมือนเทวดาประเภทอื่นๆไม่ได้หรือข้อนี้ต้องมีความหมายแน่นอนและท่านก็ตีความและบอกเล่ากันต่อมาว่าที่ทำเป็นให้มีสีหน้านั้นก็เพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพรมนั้นต้องแสดงได้สีหน้า คือต้องแสดงสีหน้าได้สีหน้าคือสีหน้าเมตตาสีหน้าการุณาสีหน้ามุทิตาและสีหน้าอุเบกขาแสดงได้เพียงสีหน้าเดียวยังไม่ถือว่าเป็นพระพรหมแท้ข้อนี้ก็น่าคิดอยู่แต่ความเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้ดูชักจะลางเลือนไปทุกขณะแล้วในเวลานี้ เพราะเรามักจะคิดว่าพระพรหมนั้นเป็นเทพเจ้าพวกหนึ่งที่อยู่บนสวงสวรรค์ไปเสียทาให้มองข้ามพระพรหมที่แท้จริงคือพ่อแม่ไปพอมองข้ามก็เลยมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ไม่รู้ถึงความสำคัญของพระพรหมในบ้านพระพรหมในบ้านก็เกือบจะหมดหรือไม่ก็หมดความหมายไปเลยด้วยประการชนี้ ที่คนโบราณท่านเขียนหรือปั้นรูปพระพรหมมีสีหน้าไว้นั้นท่านคงไม่ได้หมายถึงเทพพระเจ้าหรือผู้วิเศษที่ไหนท่านคงจะบอกให้เราทราบถึงพระพรหมจริงๆของมนุษย์และมีอยู่ในโลกนี้ที่เราเราเห็นกันอยู่คือพ่อแม่นี่เองเพราะผู้ที่จะแสดงสีหน้าทั้งสี่แบบนี้ได้ครบก็เห็นจะมีแต่พ่อกับแม่เท่านั้น ทั้งแสดงได้คล่องและไม่ต้องเสียแซงบังคับใจเท่าไรนักท่านแสดงออกมาได้ในโอกาสต่างๆกันมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุการ์บางครั้งท่านก็นำหน้าเมตตาออกแสดงบางคราวก็นำหน้ามุทิตาออกอวดบางขณะ ท่านก็ทำทีตีสีหน้าอุเบกขาวางเฉยเสียนานๆนนจึงจะแสดงหน้าพิเศษหรือหน้าจอออกมาสักครั้งหนึ่งหน้าที่ว่านั้นคือหน้ายักษ์นั่นไงแต่หน้านี้ถือเป็นหน้าประจำไม่ได้เพราะนานๆนนจะได้เห็นกันสักครั้งเรามีพระพรหมนั่งอยู่ที่บ้านตั้งสององค์ ลองลองสักเกตสีหน้าท่านบ้างเป็นไรหรือหากท่านเป็นพระพรหมของลูกๆอยู่ก็ลองนึกย้อนหลังดูทีหรือว่าเคยแสดงหน้าไหนให้ลูกเห็นบ่อยๆหรือว่าเคยแสดงหน้าพิเศษให้ลูกเห็นบ้างไหมพรมลิขิต มีคำกล่าวและเชื่อถือกันมาแต่โบราณแล้วว่าทุกคนเกิดมาตามอำนาจพรหมลิขิตชีวิตจะดีจะเลวหรือสมหวังผิดหวังอย่างไรก็แล้วแต่พระพรมท่านจะลิขิตให้เป็นไปเราจะไปฝืนพระพรมท่านไม่ได้เพราะท่านขีดให้เราเดินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยแล้วเพราะเขาเชื่อ และกระพือข่าวบอกเล่ากันสื บ, สบมาคำนี้ก็เลยติดปากคนทั่วไปและทำาท่าว่าจะยึดถือกันเป็นจริงเป็นจังเสียด้วยซ้ำแม้ในดงผ้าเหลืองเองความคิดความยึดถือเรื่องพรมลิขิตเช่นนี้ก็ยังระบาดเข้าไปถึงเพราะเชื่อและถือกันมาอย่างนี้ทุกคนจึงขอฝากชีวิตไว้ กับความปราณีของพระพรหมผู้เป็นเท พ, พเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตามที่เชื่อถือกันและแต่ท่านจะลิขิตชีวิตให้เป็นไปจนถึงกับมีการติดสินบนเท พ, พเจ้าองค์นี้กันให้เกลื่อนไปถึงกับยอมลงทุนบวงสวงอ้อนวอนด้วยเครื่องบัตรปรีนานาประการสัญหาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาเสนอให้เพื่อให้ถูกใจท่าน ทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านชอบหรือไม่ก็ต้องเดาใจท่านกันไปจนกว่าจะเดาไม่ไหวหรือจนกว่าจะมีคนกลางมาช่วยเดาให้อีกทีหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ท่านโปรโดปรานประทานเมตตาลิขิตชีวิตให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แม้สักนิดก็ยังดีที่มีทุกข์อันอ่อนวอนให้พ้นทุกข์ ที่มีโรค ก, ก็อ้อนวอนให้หมดโรคที่มีภัยก็อ้อนวอนให้พ้นภยัยจะเสียเครื่องบัดปลีเท่าไรเป็นไม่อัน้นขออย่างเดียวให้ท่านกลับลิขิตเดิมของท่านเท่านั้นเป็นพอใจจะว่ามนุษย์เราไปชวนพระพรหมให้ท่านขอรับช่าคำลิขิตของท่านเองก็คงจะได้กระมัง รับพรมท่านก็ดีเหลือใจทั้งที่รู้ทั้งที่เห็นก็ไม่เคยห้ามปรามไม่เคยออกปากสะหนว่าสิ่งที่มนุษย์สรรมากองไว้เป็นเครื่องเส้นสวงนั้นจะทรงโปรดหรือไม่ทรงโปรดประการใดยอมรับเอาทั้งนั้นไม่ว่าของนั้นจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของแห้งหรือแม้แต่ของนั้น เจ้าของเขาจะได้มาด้วยการทุจริตคิดไม่ชอบอย่างไรแต่ท่านจะขอรับชั่นด้วยตัวเองหรือไม่นั้นยังพิสูจน์กันไม่ได้แต่ก็พอมีอยู่บ้างหรอกที่เมื่อได้เส้นสวงอ้อนวอนขอกันแล้วก็ได้รับความสมหวังกันก็คงจะบังเอิญมากกว่ากระมังเพราะถ้าไม่บังเอิญแล้ว ก็อาจจะตีความไปได้ว่าพระพรหมท่านก็ชอบสินบนเหมือนกันความจริงยกเอาเรื่องนี้มาเขียนมิใช่จะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพรหมความจริงน่าจะว่ากับลูกศิษย์พระพรหมมากกว่าหรือมิใช่ว่ากระทบพระพรหมท่านหรอกเพียงแต่อยากฝากไว้ให้คิดเป็นการบ้านเท่านั้น แม้จะนำไปคิดเป็นการวัดบ้างก็ไม่เสียหายอะไรด้วยเหตุนี้คำว่าพรหมลกขิตที่คนโบราณท่านว่าไว้น่าจะไม่ใช่หมายถึงพระพรหมดังที่เราทั่วไปเข้าใจกันเสียแล้วเพราะหากว่าพระพรหมท่านมีคุณธรรมสูงส่งได้เป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ อาจโดนบันดาลให้ใครดีใครชั่วได้จริงแล้วซซ ย, ยายท่านจึงไม่ลิขิตชีวิตคนทุกคนให้เป็นคนดีให้ทุกคนเป็นคนรวยมีฐานะมั่งทั้งมีรูปร่างสมประกอบไม่มีโรคมีอายุยืนและให้มีรูปร่างสวยงามโดยไม่ต้องมาเสริมเติมแต่งกันให้วุ่นวายในภายหลังเล่า แต่นี่คนเรากับแตกต่างกันอย่างมากมายทั้งรูปร่างฐานะและความเป็นอยู่ที่สุข ก, ก็สุขเหลือลน้นที่จนก็จนเหลือแสนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือพระพรหมเกเรก็มีเหมือนกันจึงได้เที่ยวแกล้งลิขิตชีวิตคนให้เปรอะไปหมดเมื่อไม่ใช่พระพรหมเช่นว่ามาลิขิตแล้ว จะเป็นพระพร t h n ที่ไหนมาลิขิตเล่าท่านคงมองออกได้ลางๆแล้วว่าผู้ลิขิตชีวิตคนให้ดีแล้วแตกต่างกันตัวจริงนั้นก็คือพระพรในบ้านหรือพ่อแม่นี่เองเพราะพระพรในบ้านคือพ่อแม่นั้นที่เป็นพรมเฉยๆโดยไม่ปรากฏหน้าก็มีเป็นพรมที่ดีบริสุทธิ์ก็มี เป็นพร om ที่เกเรก็มีพร om เหล่านี้แหละที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนโดยเฉพาะต่อชีวิตของลูกเรียกว่าเป็นพร om ของใครของมันลิขิตชีวิตลูกใครลูกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนักว่างั้นเถอะเพราะพ่อแม่นั้นมีส่วนให้ลูกได้ดีได้เสียอย่างเหลือคาณา ลูกจะดีก็เพราะพ่อแม่จะเสียก็เพราะพ่อแม่สุดแล้วแต่ว่าพ่อแม่จะลิขิตให้เป็นไปอนาคตของลูกฝากไว้กับประกาสิทธิ์ของพ่อแม่เท่านั้นขอให้มองด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นจริงและแมื่ลูกไม่ดีดังที่คิดไว้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่าได้ไปโทษลูกฝ่ายเดียวว่าไม่รักดีเลย ชีวิตของเราฝากไว้กับการตัดสินใจของพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ในคันมาแล้วพอเราปฏิสนธิมาในท้องท่านหากแม่เกิดความไม่พอใจขึ้นมาโดยคิดว่าเราเป็นส่วนเกินหรือเป็นมานหัวขนแล้วลิขิดว่าเอามันออกเสด็จเถอะเท่านี้เราก็หมดหวังที่จะได้ลืมตามามองโลกหรือพอคลอดออกมาแล้ว พ่อลิกิตว่าไม่ใช่ลูกฉันเท่านี้เราก็จะขาดพ่อมีผมด้อยไปตลอดชาติหรือแม่ลิกิตว่าแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้แล้วลูกเอ๋ยไปตามยถากรรมเถอะลิกิตแล้วก็นําไปทิ้งเสียตามหนทางหรือตามกองขยะหรือตามโรงพยาบาลที่ตนไปคลอดนั่นเอง เท่านี้ก็เพียงพอที่จะให้เราคิดกันได้ว่าเมื่อถูกลิขิตเช่นนี้ลูกจะมีชีวิตรอดอยู่ได้สกิรายหรือรอดแล้วอนาคตจะเป็นเช่นไรไม่รู้หรือหากเมื่อเราเติบโตแล้วถูกพ่อแม่ลิขิตโดยใช้วิธีไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูให้ดีเท่าที่ควร น, นักเพียงแค่ เลี้ยงเราให้โตไปวันๆเท่านั้นส่วนความประพฤติและสติปัญญาปล่อยไปตามเรื่องตามราวทำให้เรากลายเป็นอาทญากรไปก่ออาทญากรรมเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมก็ได้หรือไม่ก็ส่งเสียให้เขามีการศึกษาเหมือนคนอื่นๆเข้าเท่านี้เราก็แย่แล้วเรารอดตัวรอดตายมาได้ถึงขนาดนี้ เพราะพ่อแม่ลิขิตมาจริงหรือเปล่าใครถูกพ่อแม่ลิขิตมาแล้วอย่างไรโปรดคิดดูเองเถิดหรือใครจะลิขิตชีวิตลูกไว้อย่างไรก็ลองทบทวนดูด้วยประการชนนี้คนในสังคมจึงแตกต่างกันมากมายอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ความเป็นคนดีหรือไม่ดีของคนในสังคม ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นจากลิขิตของพ่อแม่ซึ่งเป็นพระพรหมดังกล่าวหาใช้พระพรหมที่เป็นเทพเพจ้าผู้มีอิทธิปฏิหารอย่างที่เราเคยเชื่อกันไม่แต่ก็น่าแปลกอยู่พระพรหมในบ้านซึ่งมีลมหายใจทั้งคู่ซึ่ง เคยลิขิตชีวิตตนมาสมควรที่จะได้รับเครื่องบัตรปลีบูชาอย่างท่วมทน้นแต่เรากลับไม่แยแสกันเสนนี้ปล่อยให้ท่านอดอดอยากๆยากยา ก, ก็มีถมไปและบางครั้งจะนำเครื่องบัตรปลีไปให้ท่านบ้างก็กลับเสียดายของเสียอีกที่นำไปบวงสรวงเท พ, พเจ้าซึ่งก็มีได้ต้องการ และไม่รู้ไม่ชี้ด้วยเรากลับยอมเสียกันได้เรื่องนี้ก็แปลกอยู่และจะแปลกต่อไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกถูก